ครั้งหนึ่งในกรุงสาวัตถีมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อธรรมิกะเป็นผู้ใจบุญใจกุศลชอบทำบุญให้ทานเขาจะถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์อย่างสม่าเสมอทุกวันและในโอกาสสำคัญต่างๆเขาก็เป็นหัวหน้าของอุบาสกอีกจำนวน500รคน ซึ่งอยู่ในนครสาวัตถีนี้เขามีบุตรเจ็ดคนและธิดาเจ็ดคนบุตรธิดาทุกคนก็เหมือนกับบิดาคือเป็นผู้มีใจบุญใจกุศลชอบถวายทานอยู่มาวันหนึ่งค่ะท่านทร ม, มิกะอุบาสกเกิดป่วยหนักมีอาการใกล้จะตาย เขาได้ขอร้องบุทธิดาให้ส่งคนไปนิมนต์พระสงฆ์มาสวดสติปัฏฐานขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงขณะใกล้จะตายและขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่นั้นปรากฏว่าเทวดาทั้งหกชั้นคือหนึ่ง ชั้นจาตุมหาราชิกาสองชั้นดาวดึงสามชั้นยามาสี่ชั้นดุสิตห้าชั้นนิมมานอรดีหกชั้นปรนิมมิตะสวัติียกขบวนกันมามากเลยค่ะลอยอยู่ในอากาศใกล้ๆเทวดาในแต่ละชั้นนะคะต่างนำรถทิพย์ มาเชิญท่านธรรมิกะอุบาสกว่าท่านธรรมิกะคะจงไปอยู่กับฉันเถิดฉันอยู่สวรรค์ชั้นเนี้ยมีความสุขค่ะเทวดาต่างๆส่งเสียงเชื้อเชิญจนกระทั่งท่านธรรมิกะไม่ได้ยินเสียงพระสวดท่านเนี่ยตั้งใจจะฟังพระสวดค่ะจึงโบกไม้โบกมือบอกว่า หยุดก่อนหยุดก่อนเสียงท่านบอกให้หยุดก่อนอยู่นานแต่เสียงเทวดาก็ไม่ยอมหยุดและเป็นการบังเอิญจริงๆที่บรรดาลูกหลานทั้งหมดของท่านไม่เห็นเทวดาค่ะพระที่ไปทั้งหมดก็ไม่มีทิพระจักขุยานเห็นเทวดาได้เลยทำให้พระที่กำลังสวดเข้าใจว่าท่านทำมิก่าอุบาสกต้องการให้พระหยุดสวด จึงบอกกับลูกหลานของท่านว่าในเมื่อคนฟังไม่ต้องการจะฟังก็ไม่สวดต่อไปขอลากลับเมื่อพระนะคะกลับไปสักครู่เทวดาก็หยุดเมื่อเทวดาหยุดท่านก็หันมาทางพระก็ไม่เห็นพระจึงถามลูกว่าพระไปไหนหมดพ่อต้องการฟังพระสวดลูกก็บอกว่าก็พ่อง g บอกให้พระหยุดก่อนเมื่อท่านเห็นว่าพ่อไม่ต้องการจะฟังท่านก็ไม่สวดจึงลากลับไปท่านก็บอกว่าพ่อเนี่ยนะไม่ได้บอกให้พระหยุดพอตั้งใจจะฟังพระสวดที่พ่อบอกให้หยุดนะ่ะพ่อบอกให้เทวดายุดลูกก็มีความรู้สึกในใจว่าพ่อของเราเนี่นะ มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งแต่เวลานี้ป่วยหนักจึงเพอไผ่หลงไหลฝ่ฝันไปแล้วเทวดามีที่ไหนเห็นมีแต่อากาศจึงถามพ่อว่าเทวดาอยู่ไหนล่ะท่านก็ชี้ขึ้นไปข้างบนบอกว่าเทวดานะ่อยู่เป็นแถวเต็มจักรวาลเลย ลูกก็ไม่ยอมเชื่อคะ่ะท่านจึงบอกว่าขอพวงมาลัยพ่อพวงหนึง่งลูกก็นำพวงมาลัยมาให้ท่านก็ถามว่าสวรรค์ชั้นไหนมีความสุขน่าอยู่ที่สุดตรงนี้นะคะแสดงว่าท่านเนี่ยมีสิทธิ์อยู่สวรรค์ทั้งหกชั้นท่านจะเลือกชั้นไหนก็ได้ลูกทั้งหมดก็บอกว่า สวรรค์ชั้นดุสิตไงพ่อน่าอยู่ที่สุดเลยเพราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพ่อจะโยนพวงมาลัยให้คล้องในงอนรถของสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วท่านก็โยนพวงมาลัยขึ้นไปคล้องในงอนรถลูกไม่เห็นรถทิพย์ค่ะเห็นแต่พวงมาลัยค้างในอากาศ ไม่หล่นลงมาในที่สุดท่านก็หมดลมหายใจตายจากความเป็นคนเคลื่อนเข้าสู่รถของสวรรค์ชั้นดุสิตท่านผู้ฟังคะสติเนี่ยไม่มีที่แจกไม่มีที่ซื้อไม่มีที่ขายค่ะฉะนั้นใครที่มีสติดีอยู่แล้ว ก็ควรหมั่นรักษาไว้ทำให้ดีทำให้ไวยิ่งขึ้นและให้มีอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาด้วยส่วนใครที่ยังไม่ค่อยจะมีสติก็พยายามทำให้มีขึ้นและมีบ่อยๆ บ, บัดเดี๋ยวนี้ด้วยการตามดูตามรู้ร่างกายจิตใจไปเรื่อยเรื่อยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอน คู่เหยียดกินดื่มทำพูดคิดเคลื่อนไหวร่างกายทำอะไรก็ให้รู้ตัวตลอดเวลาจะดีใจเสียใจสุขทุกข์สนุกสนานเศร้าสร้อยสมหวังผิดหวังหัวเราะร้องไห้ก็ให้รู้ตัวอยู่เรื่อยไปมาถึงตรงนี้อาจจะมีบางคนยังนึกไม่ออกว่าการมีสตินั้นเป็นอย่างไร จึงของนำคำสอนของหลวงปู่ติ๊นัดหันพระมหาเถระนิกายเซนชาวเวียดนามค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมาเล่าให้ฟังท่านจะใช้คำพูดว่าล้างจานเพื่อล้างจานคือขณะที่ทำสิ่งใดก็ให้มีชีวิตอยู่กับสิ่งนั้น ถ้ากำลังล้างจานก็ให้มีสติอยู่กับการล้างจานมือซ้ายจับจานก็รู้มือขวากำลังจับฟองน้ําถูไปบนจานก็รู้ถูวนซ้ายหรือวนขวาก็รู้มีสิ่งสกปรกตกค้างตรงไหนก็รู้ดูไปถูไปเรื่อยๆจนสะอาดทีละใบทีละใบ มีสติอยู่กับการล้างจานณเวลานั้นตลอดไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นล้างจนเกลี้ยงทุกใบแล้วค่อยไปมีชีวิตอยู่กับสิ่งอื่นต่อไปการฝึกจิตให้มีสติควรก้าวไปถึงขั้นรู้กายรู้ใจรู้กายก็คือรู้ตัวทุกขณะ ในยามทากิจใดๆไม่ว่าจะล้างจานทำกับข้าวขับรถก็รู้ตัวว่ากำลังทำสิ่งนั้นๆอยู่รู้ใจก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดที่มาดึงจิตให้คลาดออกจากการที่กำลังทำถ้าตาอ่านหนังสือแต่ใจไปคิดถึงเรื่องนัดหมายกับแฟน ก็แสดงว่าเผลอสติแล้วในทำนองเดียวกันถึงมือจะล้างจานแต่ใจเนี่ยไม่รู้ลอยไปไหนก็เรียกว่าไม่รู้ตัวแล้วเพราะภาษะต่างๆในขณะนั้นจะลางเลือนจนแทบไม่รู้สึกถึงการสัมผัสระหว่างมือกับจานและน้ำ สภาวะที่พร่ามัวไม่กระจ่างชัดนี้จะเรียกว่าสภาวะสลึมสลือก็ได้ตรงกันข้ามกับผู้ที่ประคองจิตอยู่กับการล้างจานอย่างต่อเนื่องความรู้สึกต่างๆเนี่ยจะชัดเจนไปทั้งตัวจึงเรียกว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมและเป็นเพราะความกระจ่างชัด ในผัสสะนั่นเองบางคนจึงเรียกว่าสภาวะแห่งความตื่นการประคองใจให้อิงแอบแนบแน่นอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวไปมาโดยไม่โรดแล่นเผอไผไปกับอารมณ์ความนึกคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นการเจริญสติ รัดตรงและเป็นแบบแผนที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาไม่พึงจำกัดแต่เฉพาะเวลาเข้าวัดเท่านั้นควรเข้าใจว่าโอกาสและเวทีอย่างดีสำหรับการสร้างสตินั้นมีอยู่ในทุกที่แม้กระทั่งในบ้านในที่ทำงานหรือแม้แต่บนท้องถนน ยามลดติดขัดไม่ว่าจะทำอะไรจะเป็นงานทางกายหรืองานทางความคิดก็แล้วแต่ก็ขอให้ใจเนี่ยจดจอ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องเผลอใจไปเมื่อไรก็ให้รู้แล้วกลับมาอยู่กับงานการนั้นๆตามเดิมหากเรานะคะพยายามฝึกสังเกต ติดตามการเคลื่อนไหวความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่เป็นประจำสติก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆทีและไวขึ้นเองแล้วความพลั้งพลาดเผลอไผลลงๆ ล, ลืมลืมที่ก่อให้เกิดเหตุไม่คาดฝันทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงจะได้ไม่ต้องไปดูหมอต่ออายุสะดาะเคราะห์กระเลาะเคาะกระลก หรือพรมน้ำมนต์99วัดให้ต้องเสียเวลาเสียเวลาเสียสตุง้งเสียสตางโดยใช่เหตุเนอ้อท่านผู้ฟังคะทีนี้ขอถามใหม่นะคะถ้าสมมุติว่าจะต้องเสียบ้างสติกับสตางจะยอมเสียอะไรคิดให้ดีก่อนตอบนะคะเพราะว่า ใครที่ยอมเสียสติแสดงว่ายังไม่สั่งเมาต้องรอให้หายแห้งก่อนแล้วค่อยมาบอกกันใหม่ก็ได้แต่ถ้ายังตอบเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นแล้วก็คนใกล้ชิดก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษหน่อยเพราะพระโพธิยันเถระหรือหลวงพ่อชาสุพัทโทท่านกล่าวว่า หากว่าจิตใจของเราปราศจากสติแม้นาทีเดียวก็ต้องเป็นบ้านาทีหนึ่งปราศจากสติครึ่งชั่วโมงก็เป็นบ้าครึ่งชั่วโมงจิตใจของเราปราศจากสติน้อยหรือมากเท่าใดก็เป็นบ้าเท่านั้นข่าท่านผู้ฟังค้า ที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะก็เป็นเรื่องสติกับสตางค่ะจบลงแล้วลำดับต่อไปนะคะเป็นนิทานสร้างสรรค์สังคมจ้ามีอยู่หลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งค่ะ